เทศอภรมพระวันที่28สิงหาคม2521นี่เผ็ดร้อนดีมากเทศทุกขทางใจซึ่งมีสาเหตุจากกิเลสทั้งมวล น, นั่นแหลสสำคัญมากปลุกใจให้สู้ทุกขเวทนาพูดนั่งตลอดรุ่งสู้ทุกขเวทนาจนเห็นความอัศจรรย์นี่เผ็ดร้อนและปลุกจิตตลอดกัน อัดเพื่อพระเหมาะกว่าเพื่อครวาสฟังอัดได้มันก็มีสาเหตุมันอูแล้วทุกทางใจนี่ต้องมีสาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่ทุกเกิดขึ้นมากน้อยมีสาเหตุคือสมุไทไยเป็นสําคัญวิรเลศมันแหละเป็นสาเหตุ่เกิดความทุกข์นี่เราก็ทราบกันอยูนแล้ว ทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจเรื่ของทุกข์ทำไมจึงดูทุกข์ไม่เห็นทุกข์ทุกข์ทางตจมันเกิดมาจากไหนเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ทางใจมันมีสาเหตุมาร่างกายก็ดูกสบายดีอยู่แต่ว่าจิตใจวุ่นวายทายาเต้มีความทุกข์ความลําบากเหมือนกับไฟเผาอยู่ตลอดเวลานะเพราะเหตุมันก่อไฟ เขาก็เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาแล้วเราจะอะไรดับไปพิจารณาค้นดูให้ดีสิสอนอย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าสอนผมค้นเรื่งองวันนั้นเงื่อเอนก็ดูเยื่อนกักหนูบ้าหมากเขาะหัวใจตับความผิดใจปลอดใจใหญ่เลน้อยอาหารมาอาหารเก่านี่คือธาตุธาตธาตุสี่หาท่าแยกเป็นอรุปภาอสุภังคพิจนาดินี่นะนังบางๆนนั้นหอ่อ หุมหอยรอบดวนประจักรเรียนโตมีหลังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบแล้วก็บางๆเท่าไหรลา น, นี้ก็ไม่ได้ไอ้กิ่นหลอกตาโลกนอกจากนั้นเราไปเต็มไปด้วยฟุบโพลูไฮดน้ำเนอาน้ำหนอง น, องนี่เป็นความจริ่พิจารณาอย่ า, ยายงนึงว่ามันถึงความจริงประจับในใจทําไมมันจะถอนมาได้อุปทานเรื่องความรักกายก็เพราะความเห็นสําคัญว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นของสวยของขอ ง, องนามนั่นเอง หนูพิจานรณาลงให้ถึงความจริงของมันแล้วหาความงามก็ให้ปรากฏหาความเที่ยงแท้ท้าววานก็ไม่ปรากฏหาเป็นตนเป็นตัวที่ไหนก็ไม่ปรากฏแย่ไปแย่ไปก็เป็นท่าผีดินน้ำลงไปจะเสียหมดแม่เรามาหาตื่นเงาที่ไหนตื่นท่าผีดินน้ำลงไปปัญญาอย่างล ง, งไปี่จารณาไปชัดเจนที่สติบังคับลงไป ว่ากายจะเห็นชัดเจนนแล้วกายกายในกายนอกกายนอกดูห่วงก็ได้ดูภายก็ได้มันเหมือนกันนี่แหละกลายในกาย ก, ายกายในกายส่วนใดแตหนึ่งของอวัยวะทั้งหมดวทุ น, นาในเวทนานอกน่สําหรับการปฏิบัติเราจะถือเอาที่เขาเกิดความทุกข์ความลําบากร้องไห้เสียอะไรอะไรเหล่านี้มาเป็นทัศคติสอใจเราก็ได้แต่มันเผลนเผลอมันนอกไป เวทนานอกคาถาในาสำหรับการปฏิบัติในความรู้สึกของผมมัน ม, มั่นใจเอาตรงเวทนานอกแล้วเจิทุกเวทนาทางกายเวทนาในได้เจิทุกเวทนาทางจักทางใจแต่เมื่อไม่ ว, ว่าทุกว่าทุกว่าเฉยเฉยมันมีอยู่ที่กายกับใจเทา น, า น, า น, านานั้นพิจารณาเรื่องนี้สิจมันคิดมันตรุงเรื่องรา้อะไรคือเป็านไ การพิจารณจิตธรมเอาแต่เพียงเรื่องร่างกายเนี่ยมันก็เข้าไปถึงการหมดนั่นแหละเพราะมันเกี่ยวยงกันนี่นะใจพิจารณานี้แล้วจึงเป็พิจารณานั้นจป็พิจารณานั้นเหมือนทุกสมุทัยรุมากเนี่ยเกี่ยวยงกันพอก ำ, กำหนดเรื่องของสมุทัยเท่านั้นแนะ่ะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมันก็รู้แล้วว่าทุกข์เกิดขึ้นนี่ตั้งต้นแล้วนี่เป็นเครื่องสรุปาจเราแล้วเนี่ยมันทุกข์นี่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดหน่ะ แล้วก็ค้นหาสาเหตุของทุกข์มันจะพ้นจากสมุทัยได้อย่างนี้การค้นหานะมันไม่ไม่เรียกว่ามรรคจะเรียกว่าอะนั่นมันเกีย่ยวกเรื่องกันอยูนั่นหรือสติจิงปัญญา ม, เ า, ม า, าเรียกว่ามรรคจะเรียกว่าอะไรที่จะนารู้เท่าตามความจริงของมันแล้วทุกข์ดับไปเป็นลำลาดับนั่นก็เรียกว่านิโรธฮะเกีย่ยวกับอย่างนั้นเองสติปัฏฐานสี่ครับ อายะถาสติพิจารณาอย่างไรมันก็เหมือนกันแต่พจะอากลายเป็นอารมณ์จับจุดได้ติดเห็นึ่งแอารมณ์กำหนดทัดตั้งสติตรงนั้นผมมีแต่ความรู้กับอร <c oughs> วิวาส่วนนั้นติดแนบันอ้าวมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนการงไปยังไงพิมามันกระจายกระจายไป การพิจารณาที่มันมาได้ความชาัดเจนตั้งหลับพ้นเองมาดีที่น้องผือนะน้อตอนต่า ง, า ง, า ง, างน้องตอนแต่ก่อนก่อน้อก็ไม่คัดแต่เรื่องสมาธินั้นเต็มได้แน่แล้วเรื่องความาาเมตตาคัดเจนเกินถึงได้ดวงจิตดวงใจวันแม่แล้วคือนี่งนะมาเป็นที่น้องผือที่เห็นจริงจรนะิงน่ะมันชัดชัดขึ้น เความเฉลยอดังเวทความายของโอ้กายมีมั้เพิ่มเมื่อไรไม่เห็นเพิ่งม่เห็นวันนี้เหรอมเพิ่งเห็นวันนี้โอ้เห็นกายในกายกายในกายแล้วกายพั่วกายไอที่แรกกายในกายสะมาเป็นหนก่อนเลกรจายไปหมดพังไปทำลายลงไปปลือน้าไปเป็นเป็นลับธรรมชของมันเองเวลาวันเห็นแท้นทนแล้ว ทังมันลงแล้ันหมอดินก็ลงแบดินน้าก็ซึมลงในดินก็มีเป็นไอที่อากาศก็มีนะขนขณะี่ที่เจอนะทีนี้เมื่อน้ามันซึมออกไปหมดแล้วคือหมดหมดแล้วมันก็เหลือแต่หนังแต่กระดูกมันก็กลายเป็นดินที่เห็นชัดๆลงไปกับไปหน้ สิ่งมันก็นลงได้อย่างเต็มที่ไม่ทราบว่าลงจากกี่ชั่วโมงถอนขึ้นมาแล้วมันว่างทั้งหมดเลยทางธุรกิดถอนออกมาแล้วกำลหงดูมันว่างไปซะหมดเหมือนไม่มีต้นไ ม, ม้ภูเขาแม้แต่กุฏิที่เรานั่งอยู่นั้นก็เหมือนไม่มีกุฏิเลยร่างกายก็เหมือนไม่มีถอนอองมาแล้วมันงเป็นเนื้อํานาจของความพิจารณาถึงกายอย่างชัดเจนแล้วลงได้อย่างสนิท เป็นที่เต็มถังมันแม้จิตถอนีึ้มาแล้วมันเป็นอย่างว่างอยู่ตลอดเลยหลายวันอำ น, นาจของจิตมันจะไปกล่าวเพี ย, ยงแค่แมกวาการท่านก็เจาะเขาทันทีเลยอธิบายเพิ่มเติมไปเลยเพราะว่าต้องอย่างนั้นนี่ผมเคยเป็นอยู่ที่ท่านใหญ่สาริกาทํายกขมาเลยนะ เป็นเหมือนขั้นมหาอยางนี้นี่มีผู้มาพูดแบบเดียวกันเท่านี้แหละทันว่างเลยทีนึงทันยกขึ้นเลยผมเป็นมีที่ท้ำสันติกาเป็นขนาดนี้คือมันลากไปหมดเลยก็ออกแล้วลาบไปหมดแล้วยังว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่จิตซึ่งเป็นของอาจารทร์ล้วนๆทันหมดศาอยู่สูงอยู่ต่ำไม่อะไไปสนใจกําหนดกฎเกณมันอาตจันทร์ที่ไหนก็อยู่ที่ตรงนั้นกันมีแบบเดียวกัน ท่านหาผู้เราเล่าเป็นระดับเป็นระดับเป็นดับเล่าถวายท่านมีความเป็นของเรามันเป็นหนเดียวนะเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่มันจะเป็นตลอดมันมีเท้าหลังเราพิจารณาแล้มันเป็นอย่างนั้นอีกมันไม่ยอมเป็นทั้งที่เห็นกายเหมือนกันเห็นกายแต่ความที่เรพิจารณาแล้วมันมีรูปลักษณะต่างๆการเห็นผิดกันไปโดยระดับระดับเราถึงไปกลับเรียนท่านเราถวายท่านอีกท่านบอก มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นหุ่นเดียวเท่านั้นแหละกันว่างผมก็เป็นหุ่นเดียวแต่นู้นม่เป็นอีกเลยกันทีนี้มันจะเป็นลักษณะไหนก็มันเป็นไปตามลักษณะในหลักธรรมชาติข้งมัเองอย่าไปปรุงไปแต่งมันนั่นแหะเป็นความจริงล้วนๆอาจารย์สอนย่างออกมาเราก็เป็นที่แน่ใจมันก็ไม่เคยเป็นอยู่อย่างนั้นนะเห็นหุ่นเดียวแล้วเห็นกายเห็นกายอย่างแปลกประหลาดปสะึกกัน ชาติต่อมาก็มันก็ลงลงแต่มันมันไม่ได้ว่างทั้งหมดอย่างนั้นมันลงแต่เฉพจิตมันว่างแต่เฉพาะจิตไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดนั่นมันมันว่างแต่เฉพาจิตแล้วยังไมแล้วมันว่างไปหมดจริงจริงโล่งหมดโลกราท่าเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยว่างเป่าไปหมดมันก็เข้ากับลักษณะนี่ตัวโลกาเวกัสุลเมเวกเมเวกัสุลโมคลาจตดาจตุว์เมื่อก่อนโมคลาภเธอจงเพจนา ให้เนมรรคทั้งหลายนี่เป็นของว่างเปล่ามันก็ เ, เข้ า, า ล, าลาักษณะนั้นงูเพื่อนเขามาอยู่นี่กว่านานคะานพอ น, น า, ตนาตเตงในเรื่องเด่นามันน่าจะเรื่องเด่าเราทงานหน้าที่เดียวนี้เท่านั้นนาถี่ที่จะนาพอน่าเขา้าสงบก ถ้ามันเป็นที่เต็นฐานมันก็สงบได้แต่จะท่าทางปัญญาพิจารณายยกเยะในทางนฐานก็นให้ทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นให้มีความรู้อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเท่านั้นไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรเหมือนกับโลกไม่มีมีแต่สิ่งที่เราพิจารณานี้เท่านั้นนั่นจิตเป็จริงมันต้องปักตรงอย่างนั้นะทาอะไรให้ปักลงไปปักไปสิตแตว่า เกิดความอ่อนแอเขาปลูกกิจถท้าบาดปลอกปลอกไม่มีน้อยสทาหลับผมหนะปลูกกันมากอืมีจะปลูกกิจเกิดความกล้าหาญทางไทยมากกว่าขูเห็นเจ้าของเจงทางต่อรัว น, นี้โอ้ยมีอยางมากไม่เลยห้าเปอร์เซ็นที่จะปลอกปลอกจนระลึลกไม่ได้เพราะงั้นใช่ไหมแต่เรื่องขู่นี่เอาเอาจริงๆ แล้วที่มันเคยได้ผลโดยการขู่การขู่ก็ปัจจุบันขู่คิดนี่มันก็ขู่กิเลสประเภทเกาะในขณะเดียวกันก็ขูกกิเลสถ้าวรละวันขู่คิดมันคือขูกกิเลสเวลาที่ว้นั่นก็เวลาเอานัำหนักสู้น้ำหนักเน่ากิเลสมันกระจายไปก็รุนมันได้ผลเวลาไหนที่เราเอาเต็มที่เต็มฐานเอาคิดก็วาดกันเลยนั่นมันได้อย่างคุ้มค่าเลยนะ แล้วตัวอย่างขึ้นหนึ่งนั่งกระดองรุ่งอย่างนี้ไม่มีคืนไหนที่ไม่ได้ของอัศจรรย์ขึ้นมาชมอืโดยชมของอัศจรรย์โดยครองของอัศจคืนหนึ่งหลายหลาครั้งแต่การพิจารณาเราจะหาเอาใบายอยากที่เราเคยพิจารณามาใช้นั้นมันเป็นปัญญาอาดีตข้อหลักปัจจุบั น, นหลักปฏิบัติไม่ได้ต้องเป็นสักวายข้อสีปัญญาคิดขึ้นคิดค้นขึ้นในปัจจุบัน เป็นขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันปัจจุบนั น, น, จจบ น, จจบนถ้าสิ่งไหนมันตรงกับของเก่าก็ให้มันเป็นปัจจุบันของอันนั้นเกิดขึ้นมาเองรับเออเหมือนของเก่าเขาไม่เป็นไรแต่เราเราจะต้องพิจารณาอย่างนั้นเราจะต้องพิจารณาแบบนี้เอานั่นต์ามาคาดมาหมายไม่ได้เหมือนกับว่าคิดใหม่พูดง่ายว่าคิดใหม่ได้ให ม, ไใหม่ได้ปัจจุบนันแก้กันทันทันนี่แล้วที่จะหาญต่อความตาย เพราะนั่งตลอดรุ่งนี้แหละเพราสู้เป็นดั่งเอาตายสู้คําว่าถอยมันมีนอกจากตายหนึ่งสว่างเป็นวันใหม่ทุกมันเท่านั้นเพราะมีเกณฑ์เงนกำหนดเป็นเงินตั้งทัจษะเรื่องถึงสว่างเป็นวันใหม่ถึงจะลุกหนึ่งสองตายต่อยหมดสุดพิสัยสามถ้าว่าสลบ ลลงไปเมื่อได้สติแล้วจะรู้ขึ้นนั่งทันทีข้อแม่ไม่มีมีข้อแม่เฉพาะครูบาอาจารย์มีเหตุผุดเฉินเกิดขึ้นพายนวัผ้าเน้นองค์ใดก็ตามนอกจากครูบาอาจารย์ลงมานั้นยอมไม่ออกจากที่ได้ทำลบเรื่องของตัวเองแล้วไม่มีข้อแม้ให้เลยถ้ามีข้อแม้มันจะม right ีทางออกเช่นเล่นแต่ปวดอุจจาปัสสาวะเนี crash, <ten> ่ย <exatamente> มันจะหาเวลามันทุกมากมากมันจะหาาบปัดอปวดปัดสสาวะหามาดปวดอุจจารอยู่นั่นเนี่ยมันเลยไม่ได้เรื่อดเอ้ามันจะออกเวลานั้นก็ทำทะลักออกเลยตั้งแต่ขี้ตะตักแม่ขี้ใสมือแม่ทําไมขี้ได้มันจะเป็นเด็กเด็กทำไมโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วล้างไม่ได้เหรือขี้ตัวเองแล้วล้างตัวเองล้างไม่ได้เหรือไปทางไหนตักลงไปเลยเมื <um ่อมันมีทางออกที่ทางน้ํา ตุกเข้าไปน้ําตุกเข้าไปมีดันก็ไปนีมันก็ไปข้างหน้าเรืเ่อยๆมื่อจนกอกแล้วสติปัญญาผมก็ขึ้นเลยทุกข์ก็มากนี่เหมือนกับไฟที่เอร่างกายทั้งทั้งร่างนี่เหมือนกับไฟเป็นไฟไปหมดถึงสติปัญญาเมื่อเราอาจนกอบมันจะอยู่เฉยๆได้หลือเพราะจะออกมาก็ออกไม่ได้นี่ธาตุธาตุจักความความสามนี้หมุนติ้วเลยธาตความสามนี่เหนือชีวิตหเลย ถ้าอาว่าเราจะตลายความสายไมให้เราตายใช่ดีกว่ายา้ายเหลือเป็นมนุษย์เดินในโลกหนักอัตนาหรื อ, รอเป็นโมคาพิสุทธทั้งไม่ได้นันไม่มีข้อบังคับหมุูติ้วติ้วเมื่อมันจนกรอบทุกขเวทนาั้เกิดมาคนอะไรเป็นทุกข์นี่ที่ตัวสํางัญเอนะมันเป็นทุกข์ที่ตรงไหนมาหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุก ข, ข, ข, ข, ข, ข์มากกว่าเพื่อนตราสุดนั่นก็ไปแยกและดู ทุกนี้หรือเป็นนาหรือทุกทุกนี้หรือเป็นกายถ้าว่าทุกนี้เป็นกายเวลาทุกดับไปกายทำไมทำไมไม่ดับไปด้วยหรือว่าหนังนี่เลยเป็นทุกเนื้อหรือเป็นทุกเอ็นนิ้กกระดูกหรือเป็นทุกถ้าว่าสิ่งนี้เป็นทุกจริงเมื่อทุกดับไปทําไมสิ่งนี้ไม่ดับไปด้วยถ้ามันเป็นอันเดียวกันไม่ต้องดับไปด้วยกาะหรือจิตนี่หรือเป็นทุกถ้าจิตเป็นทุกสิ่งนี้ดับไปแล้วทาไมจิตยังยังเหลืออยู่ตั้งแต่ยังไม่นั่งภาวนา นี่ทุกข์ก็ยังไม่เกิดจริงๆนี่ทำไมามันยังหนมีถ้าว่ามันเป็นอันเดียวกันหนักมันแย ก, ม, แยกมันแยกหมุนติวต้วตูวต่วติ่วอยู่นะนั่ น, น, นทุกข์มากเท่าไรยิ่งจิตจริงขยับก็ขยับก็ถ อ, อยไม่ได้นั้นเวลานั้นน่ะถ้าอยากให้ทุกข์หายเท่าไรนั่นแหละป็นตัวสมตวิญญาไทยเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกมากเหมือนกับเท่าตัวหายไม่หา ย, มาหายมาไม่ต้องว่ากันให้เห็นความจริงของทุกข์ขอให้ทราบความจริงนี้เท่านั้นเป็นเป็นที่พอใจค้นึงเข้าไปค้นึงเข้าไป เราทราบทัดว่ากายหรืออาการต่างๆแต่ละแต่ละอาการอาการมันจังมันจริงของมันแต่ละอย่างอย่างตามธรรมชาติมันมันไม่ได้ว่ามันเป็นทุกแม้แต่ทุกเวทนาที่มันแสดงตัวอยู่อย่างเด่นชัดนั้นมันก็มีความหมายในตัวของมันเหมือนกับไฟเนี่ยผู้ไปสัมผัสต่างหากว่าร้อนนะเราไปสัมผัสไฟว่าร้อนตัวไฟเองก็ไม่ทราบขมานตัวเองว่าร้อนดือหนาวหรือเย็นอะไรไม่มีมันไม่มีความหมายในไฟคือไม่มีความหมายในตัวของมันเอง มนเป็นทุกที่มันเป็นอยู่ภายในธาตุในขันของเราก็เหมือนกันนั้นปเปนี่อเขาจะชัดเจมแล้วมันก็ถอนทุกข์ถอนออกปัจจุบันจิตเป็นทุกข์จิตก็มาเป็นทุกข์จิตก็รู้อย่างชัดๆทุกข์อันนี้ก็มากกว่าอยู่นั้นแยกแยะแยกทางกายแยกเวทนาแยกจิต ดูการดูเวทนาดูจิตเทียบเทียงกันอันไหนมันมันเหมือนกันอันไหนมันเป็นอันเดียวกันหรือไม่เป็นอันเดียวกันแยกอะเรียกงานมันก็รู้นะชัดไม่ใช่อันเดียวกันกายก็สัจจะว่ากายเวทนาสัจจะว่าเวทนาเท่านั้นจิตก็คือจิตเท่านั้นต่างอันต่างจิตทีนี้เมื่อต่างอันต่างจิงแล้วไม่กระทบกันถึงทุกจะไม่ดับตงไปก็ตามมันก็สับแต่ว่าทุกนั้นเหม็นกําเริบพอที่จะมาทํานาจิตใจเราให้ บ่นหลได้นี่ทันี้ทั้งนั้นก็มีเกาะนี่คไอ้เพื่อกเกาะนี่ครับมีจิตมีเกาะหุ่มแล้วทุกพิวารณาจะเกิดมากน้อยมันก็ยิ้มได้อย่างสบายสบายเพราะเห็นเป็นจริงเท่านั้นฝักแต่ว่าเป็นเวทนาเท่านั้นมีประการประการที่สองนี่มันทุกพิจานาดับด้วยสําหรับเราปฏิบัติตัวนี้นอกจากทุกพิจานาดับแล้วร่างกายทุกส่วน เหมือนกับหายไปความเลยให้ไม่มีความรู้สึกในส่วนใจใจมีความรู้สึกเหมือนกับาหายไปหมดทั้งกายาหายหมดทั้งเหตุนาเหลือแต่ความรู้จีบประจําร้อนๆนมีอันหน่มันเป็นอสองอย่างเราที่ดีมาเมื่อมันได้อย่างถึงขนาดแล้วทําไมมันจะไม่เกิดความเชื่อความใส่ทําไมจะไม่ดูดดื่มทําไมจะไม่อาจหาันจิตใจเพราะสิ่งที่ให้อาจฐานเป็นสักขีปญจัอยู่แล้วคือกิตดวงอสกันที่ปรากฏนะ อยเวลานั้นไม่ได้แยกแยกกันออกหมดแล้วยังเหลือแต่จิตจะเดินทำอริยจันท์ไม่เห็นนั่นแหละที่เมื่อได้ขึ้นเวทีได้ต่อสู่กันดูแล้วมันก็ฟอคพัฒนไปในระยะต่อไปนะครับมีอุบาสของสติปัญญาวันหนึ่งขึ้นแง่ยหนึ่งวันหนึ่งขึ้นแง่หนึ่งขนาขึ้นหนึ่งขึ้นแง่หนึ่งนี่เรียกว่าสติปัญญาเจ้าของต้องคิดต้องค้นขึ้นมาเองสติปัญญาเกิดในจิตอันเดียวกันเป็นเรียกว่ามาก อืสังขารนั่นแหละความคิดความคุ้มขึ้นมาแต่สังขารนี้เป็นสังขารฝ่ายแก้สังขารอันหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายผูกฝ่ายมาฝ่ายสันตุกิเลสเรียกว่าสังขารที่เป็นตัวทุกข์ทุไทยหลังแยกมาเป็นสังขารฝ่ายมาเป็นสติปัญญาแก้กันได้เมื่อได้ของหนึ่งแล้วเป็นสติปัญญาแล้วข้าวหลังไม่กลัวนะเป็นไหนเป็นการไม่กลัว เราลงได้นั่งปุ๊บแล้ววันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นเลยต้องสว่างมีท่าเดียวเท่านั้นนั่เป็นเราเองเราได้พิจารณาดูแล้วเรื่องทุกเวทนาเนี่ยได้เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นความจริงเรากลัวอะไรแต่พิจารณาเรื่องธาตุขันว่ามันตายด้อะไรมันตายธาตุถีอดินน้ำลมไฟเคยตายจากโรคไหมข้อร่างกายเรานี่ก็คือธาตุถือดินน้ำลมไฟ โซลร์ลงไปแล้วดินเป็นดินน้าเป็นน้าลมรวมไปตายใชก็ยิ่งรู้อยู่อย่างเด่นๆนี้แล้วมันจะตายไปเนะรื่อยๆคำว่าตายมันโกหกกันนานมันรู้ชัดประการหนึ่งประการอีกประการหนึ่ง้วทุกขเวทนาถึงเวลาจะตายล้วน่นะมันจะมีหนาแน่นไปขนาดไหนก็คือทุกขเวทนาที่เราได้เห็นไดชัดเราได้ด น, ดนิจสัยเรานี้และรู้จริงเห็นจริงกันอยู่ขณะนี้เดี๋ยวไมีมเวทนาหน า, หนาไหนไปหลอกเราเวลาตาย จากจึงหาความกลัวเวทนาไม่ได้ถ้าทัดตามความมริงของเวทนาแล้วจะเป็นถึงขี่ตายก็าตายไปถึงไม่หลงหนักแล้วก็เป็นจริง ด, ด้วยนะในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเวลามันจะเอาสริองอากจางเช่นาวาระจะตายที่อยู่องน้องผือที่ว่าถ่ายถึงยี่ภาคครั้งอาเจียนสองครั้งนั้นมันจะยยไปจริงเก้าสิบเก้าเปรเ็นพรม่เห็นมันเถอนี่ไม่เห็นมันกลัวตายเลย อมันจะไปอะไรที่จะเหรือว ะ, อะเอาไปสะบายเนี่ยมันสนุกพิจารณาสบายอย่งมันจะไปจริงๆความรับผิดชอมในส่วนร่างกายมันหดมาความข้างบนข้างล่างแมันหดขึ้นมาอยู่กลางหัวใจนี่ข้างบนก็หดลงไปข้างขวาหดเข้ามาพร้อมกันเลยจากนั้นแล้วก็ร่างกายก็หมดความหมายคือร่างกายเป็นร่างกายเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วหูนี่เลยหนวก ไม่ใช่หนวดไม่ใช่บอดไปแล้วเลยนั่นไปแล้วเป็นตันไหมตอนตื่ทุกขเวทนาก็ดับหมดนี่จึงได้เชื่ออย่างแน่ใจว่าคนเราเวลาตายถ้ามีสติทราบเรื่องของตัวเองอย่อย่างชัดเจนแล้วขนาดจะตายนั้นเวทนาต้องดับหมดนะอันนี้มันมันดับขนาดที่เวทนาดับหมดเพราะนั่นคือทุกขเวทนาอย่างสาหัสพอถึงขั้นจะไปจริงแล้วก็ ความรับผิดชอบความรู้สึกที่มันหดตัวเข้ามาวูบเดียวทางพร้อมกันหมดเลยเข้าไปอยู่ตรงกลางตรงการนิสสัตว์เจ้าวา ร, รู้นะแต่ว่าเป็นจุดเป็นต่อมแห่งปุโรหิอย่างนี้ๆๆๆๆๆๆนี่ไม่มีพุทธะเตวสัตว์สว์วารู้แล้วทุกเวท น, นาดับอะไรดับร่างกายดับหมดจากความรู้สึกของกายเองและความรู้สึกของทางทัศนดับจิตเป็นจิต ทุกเวทนาก็ดับพร้อมกัน น, นั่นตอนนั่นตอนเก้าถึงเก้าพฤศจมีวิตตุกหงงมีไปเดี๋ยวนี้ไปเลยเอาไปก็ไปกำหนดจิตขยับเขาอีกมันก็จะช่วยมันไปมันก็เลยเป็นพลังอันหนึ่งเมื่อมาพลังของจิตที่กำหนดเขาไปในเรื่น็นพลังทําให้จิตมันสร้างเอาไปอีกรับรู้ในจิตต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายไปหรือวอ่าไปอยู่ที่นีนะ อย่ Perry, งนั้นไม่ลืมนะความรู้สึกของเจ้าของมันเป็นงั้นคือคิดอย่างนั้นด้วยเวลาจะไปไม่ไปจริงหรือเปล่าเอาไปไปก็ไปนี่อยู่กันคำว่าฟาดเพื่อจะช่วยมันไปแล้วคือไปอย่างหายห่วงปุ่นเหงาๆไม่ได้สงสัยอะไรเลยเลยยานั้นเราก็ไม่ได้สงสัยในแล้วย้อนมาจำภาษาน้องผืนหลังจากคอมแบกตัวอาจารย์มาภาดไปแล้วในเดือนสามเราเรียนแปะเราก็กลับมา ก็มาจำพรรษาที่ไหนหายต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคู้ตามความจริงเนี่ยเวลานั่นมันก็มาประกาศความจริงที่เราเห็นมีที่ตอนจำตัตามันก็มีเห็นมันกลัวอะไมันตามมันรู้กันทุกระยะระยะจนกระทั่งถึงมัาหมดทุกเวทนาที่เต็นอย่างสาหะถนาดถึงจะตายเนีถึงขนาดถึงขั้นตายมันก็รู้ของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่ตั้งไม่เถิดจนเวทนา ทุกเวทนาในร่างกายนี่คือเป็นสาหัดับจุ่มหมดเพราะความรับผิดชอบขงจิตมันหดตัวเข้ามาวูบเดียวเท่านั้นทุกเวทนาก็เป็นอำนาจดับไปพร้อมกักับความรับผิดชอบของด้านบานกายจะไปเรียนนี่เท่าไรเอาไปสอบปายมันเดือดจากความรู้เลยกําหนดปั๊บเขาติดความรู้นั้นไม่ถึงนาทีนะมันสร้างออนไปพอสร้างไปหูก็ได้ยนิน าภาพกลางก็เหมือมองเห็นความรู้สึกแลส่วนร่างกายก็รู้ที่ทุกเวทนาเริ่มขึ้นก็สาหัเหมือนอย่างที่เคยเป็นสาหาันมันก็สาหัในส่วนาาร่างกายต่างหะไม่ได้สาหัในจิตนีมันไม่ได้เข้าถึงจิตมันจิตเป็นปกติอย่างนั้นธรรมดาธรรมน า, รรมนาเพราะฉะนั้นเวลาออกมาจากประตูช่วงเปิดประตูช่วงออกมาผ้าที่คอยอยู่ข้างนอกมองเห็นเราตกตะลึงที่ก็บอกตานี่มันดําหมดแล้วเหมือนคนตาย เพราะทำไมนั่นจำได้ไงเราเราก็ยิ้มนิดหนึ่งล้วพูดผมเกือบตายในฐานมันจะพูดมือเราก็พูดแลก็ยิ้มยิ้มเพราะเราไม่มีอะไรเสียจะดีกันเห็นปกติผิดท่าเลยตื่นขึ้นอีกเป็นบ้าขึ้นอ๋อไน้การทำไมเป็นไงเรารู้ทันตีนี่พระเข้าใจาเราเผอนี่นะน่ะแต่นั้นมาเราเลยไม่ใช้สี่อดิอาร์นั่นอีกไม่พูดอะไรเลยมีแต่อบอกบ้านบอก เราเสือมาปูที่ตรงนี้ข้างนอกแล้วเอาหมอนมาปูม า, าที่นี่เราจะนอนที่นี่เราหว่องใบพากลูกนอนไล่พักนี้หมดไงเรานอนคนเดียวนอนเพลินทาให้รู้เรื่องของหมู่เพื่อนนี่เวลาเราตายนี่เราเชื่อหมู่เพื่อนไหมหน้าถ้าเป็นอย่างนี้หนักมาเอาแล้วนะมองให้เราก็ตอนกอนแรกคราตกใจเรื่อง ตาก็เป็นประการประการที่สองที่เรายิ้มแล้วพูดออกไปแต่พูดมันเสียงมันมีแต่ปากมันมิดๆนะมันไม่มีเสียงนี่เหมือนกับลิงพูดทำพร้อมทั้งยิ้มออกมาตื่นกันตรงนั้นอีกที่ฮานาปัญญาเด่นนั่นครั้งที่สองนี่เราสะดุด ท, ทันทีขอนี่ถ้าเขา้าใจเวลาเผลออัไรเนี่ยขอยังไม่ไเผลอมันเผลอไปไห น, นมีอยู่กับธรรมชาตินั้นแล้วโดยปกติของมันมันเผลอไปไหน มันจะเผลอไปไหนนี่วะมันพูดอาถางกันอะไรนั้ น, นพอมเป็นธรรมชาติขงมันอยู่แล้วมันเผลอไปไหนมันจะเผลอไปไหนนี่วะนั่นเนี่ยเราทราบนะเราคงดเชียเปี่ยนวิธีใหม่พอพระเอาเสือเอาปูแล้วไล่หมีหมดให้มายุ่งเลยพอเสร็จแล้วถึงมาถามพระถามประโยคแรกเรื่องอที่อ่านวบายเป็นนั้นพระก็ตอบทู โม่ตกใจเพราะท่า น, านอาจารจะจะตายอ่ามองดูหน้าตายมันแล้วเออาจที่สองล่ะว่ามันที่สองมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งคนจะทานตั้งหอนทําให้ยิ้มหวังนัน้นนยยะที่สองเขาใช้ท่า น, านอาารยถออนี่แหละผมต้องการตรงนี้ก็บอกอผมต้องการตรงนี้ผมแน่ใจตรงนี้เพราท่านครับผมเถืะ เพราะงั้นการเป็นการตายผมผมจึงไม่อยากให้ใครใครมาเข้ามายุ่งกับผมเพร า, เาไม่รู้เรื่องกันหน่ิความจริงของเราเราไม่มีอะไรเราตายเนี่ยเราตายสบายหมดเราพูดอย่างอาหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่อยากจะยุ่งกับใครเวลาเราตายเราตายอย่างส น, นุกคนเราคนเดียวให้เต็มเพลนของเราที่ได้ปฏิบัติมามากน้อยใ น, วนเวลาสุดท้ายเรื่องของขันทุกเวทนาจะมีอะไรมันก็แสดงทําเรื่องของมันเล็งเล็ ทังดืองขอมนมือนเราจ่อไปเข้าไปที่ไม้ไผ่แห้งยังแตกโป่งปั้งโป่งปั้งโปั้งเป็นเหมือนมันมีวิญญาณใช่ไหมล่ะไม้ไผ่ตอนนั้นเหมือนมีวิญญาณไฟก็เหมือนมีวิญญาณแสดงเปลวขึ้นบุกจะจุดไฟหนึ่งเหมือนมีตนมีตัวเหมือนมีดวงวิญญาณอยู่ในนั้นไม้ก็ยังแตกโป่งปั้งโป่งปั้งโป่งปั้งความจริงไม้มันรู้ความหมายมันไหมมันแตกมันรู้ความหมายมันไหมไฟที่ลุก โฟโฟงโฟมันมีความหมายเหมือนไม้ออมันไม่มีความหมายเดียวกันทางนั้นนี่เรื่ของขันเหมือนกันมันจะเป็นลักษณะไหนเพราะอํานาจแห่งทุกเวทนาที่เป็นเหมือนกับไฟไหม้ไม้ถ่ายแห้งไม้ถ่ายสดก็ตาอันนี้ทุกเวทนามันไหม้แล้วมันมันแสดงต่อกันมัดรัดจึงกันตามเรื่องของของขันมันแสดงในขนาดนั้น กายมันก็แสดงการมากายขึ้นมาทุกเวทนาก็ไม่ทราบความหมายส่นแล้วไม่ทราบความหมายกากาก็ไม่ทราบความหมายของของกาเองแล้วไม่ทราบความหมายของเวทนาแต่มันแสดงเหมือนกับไฟไม้ไม้แห้งนั่นแหละผู้ที่ทราบความหมายเคยติดก็รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วเธอไปไหนจะไปหลงไปที่ไหนกันเมื่อสิ่งเหล่านี้มันหมดกําลังมันแล้วมันก็ยึติด เหมือนกับไฟกับไม้ที่มันหมดกําลังเชื้อไฟก็หมดแล้วไฟก็ยุบลงยุบลงก็ดับน่ะก็เท่านั้นนี่กรเหมือนการทุกเวทนามันก็ดับเมื่อมันหมดกําลังแล้วร่างกายก็ยิติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไหวไม่ติทุกเวทนาก็ดับความรับทราบนั้นออกแล้วนั่นจิตเป็นลมตามความจริงก็คือธาตุดินแะล้วลงไฟมันหมดกําลัง ที่จะเป็นเครื่องมือของจิตได้ควนใน ง, ง่ะท่านไม่ได้เนี่ยจิตก็ถอยตั ว, ตวหากว่าจิตยังมีกิเลสจะกลับจะไปเกาะกั บ, กบมือเกิดใหม่อีกตามภพชาติหรือตามภูมิของจิตถ้าจิตสิ้นแล้วจากกิเลสก็หมดห่วงทาราเลยปันจักขั้นทางหมดห่วงกันเสียทีกว่างนันนักดานุนาพนโพไม่ต้องมายุ่งกันอีกอยากเหมือนดังที่เคยยุ่งมาแล้วนี้ อั่นนี่ละการปฏิบัติเห็นประักษ์ที่อย่างนี้จะว่าไงศาสนาเพาะฉะตุกตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กหลอกเลยนี่ทำบุญทำทานแล้วจะได้ไปสวรรค์เป็นพันในขณะนี้ดไฟจะไหม้ใจอยู่เหมือนเหมือนปืนมันไฟประตามอใจนู้นยังจะได้สวรรค์นี่นะเหมือนตุกตาหลอกเด็กพี่นาาไปทําลงไปพี่มันจะเห็นความสว่างปาจากษ์เช่นนี้ตี่ใจใ้เป็นภูรักษาทําระหม่อใจเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับทํา ใจทุกที่จะรู้เรื่องสุขเรื่องทุก เ, เรื่องดีเรื่องชั่วเมื่อเป็นอย่านั้นทำไมันจะไม่รู้คําบริสุทธิ์เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แทนอืมบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่มาเจริญปนนั้นออกหมดแล้วโดวยสมมุติโดยประการทั้งปวงขึ้นไปโดยขินเถรขิ้นเถรไม่มีเพราะข้อปฏิบัตินั่นอันที่นี่งหมดเรื่องงานของพระเรานับตั้งแต่ที่จะนาเจรสาลุ ม, มาราฐานตาโตเรื่อยมาจนมาะั่งถึงวาระสุดท้ายการเป็นมหาวิสมหาปัญญา อย่างเข้มข้นพาดฟันแันแดดที่เด็ดทุกประเภทเให้จิ้นศูนย์ไปจากกันแล้วนั่นเนีน่ยถนนวิถีตามธรรมจารีอย่างหมดแล้วการงานในศาสนานีน่ธมจันทร์ได้อยู่จบแล้วก็หมายถึงการงานของเราที่ทํานั้นเสร็จจิ้นแล้วผลของงานคือความบริสุทธิ์ได้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างชัดเจนตั้งแต่บัด น, นี้ต่อไปไม่จยุ่งกับอะไรอีกแเรื่องที่เดชตัญหาตัดสะพานกันเนื่องสมมติทั้งปวงตัดสะทานกันกันกบจิต บ, บริสุทธิ์ดวงนี้ เท่นั้นมีฝนงานการตะกี้เห็นประหาทุกอย่างนี้แล้วจะควยเอาที่ไหนทุกอยู่ที่ไหนสมุทัยอยู่ที่ไหนจริงที่ปกปิดกำ บ, บงังจิตใจไม่เห็นแก่นแจ้งชัดเจนตามสภาพของของจิตแท้นั้นอยู่ที่ไหนเด่นงั้นมากคือความปฏิบัติมีสติ ป, ปัญญาศรัทธาความเพียรต้นดูที่ไหนถ้ามาอยู่กับเราเราไม่ปิดไม่ฟื้นขึ้นมาจะให้ใครฟื้นให้เรามาฟื้น ติดเพืหนึ่งสิ่งในนี้นขึ้นมาสิ่งนี้มีกําลังแล้วก็สามารถที่จะปราบสิ่งที่เป็นก้าวเสียงนั้นได้จ ร, ริงกระจาออกไปโดยลำดับหับจนกระทั่งถึงหมดไปโดยชิ้นเชิงก็เรียกว่านี่ร้อนนี่ร้อนทับทุกข์โดยทำอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับสนิดคืออะไรที่นี่นั่นนั่นแหะคือผู้บริสุทธิ์ริยาทั้งสีทุกสมุทัยรดอนมากนี่เป็นอาการเท่านั้นพูนรู้อาการทั้งหลายเหล่านี้นคือใครนั่นนหะคือผู้บริสุทธิ์จนล้วนนั่นไม่ใช่สัจธรรม อาละอเคนี่ทำปัญญาอธิบายมาช่วย